โกงก็ได้นะถ้ามีผลงานอย่างนี้ชาวพุทธรับไม่ได้หรอกเนยไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ถูกต้องวิธีการที่เราใช้ต้องสะอาดด้วยหรือไม่ใช่อย่างเราจะเผยแพร่าศาสนานะใครไม่นับถือเราก็ฆ่าทิ้งอะไรอย่างนี้นมันก็ไม่ถูกเงีงนชาวพุทธต้องรู้จักเลือกวิธีการที่เป็นธรรมเนยะที่ถูกศีลถูกธรรม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 เป็นคนตะก่อนพวกขี้เมากินเหล้าทุกวันนะแต่พอกินเหล้าแก้วที่หนึ่งใช่หไหมนงนุษหมายพูดจาเรียบร้อยแก้วที่สองพุทธวาจารพูทธรรมะ ก, กันเฉยเลยนะคือถ้าอยาหวังมากผลนิพพานนะต้องขัดเกลาตัวเองเครื่องมือในการขัดเกลาตัวเองมีสามระดับนะคือศีลสมาธิปัญญาศีลนัขัดเกลา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 นี่คือเรื่องของสมาธิขัดเกลาในระดับปานกลางสุดท้ายพอถึงขั้นเจริญปัญญา น, ะนั้ท่านบอค่อยๆค่อยๆขูดค่อยๆเกลานะใช้กระดาษทรายค่อยๆขัดขัดขัดไปออกมาสวยงามนั้นเป็นงานที่ประณีตนะงานเจริญปัญญามีซุงอยู่ต้นหนึ่งอยากได้พระพุทธรูปนะเอากระดาษทรายไปขัดใหญ่ไม่ให้กินหนอก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 จิตมีโทสะก็เจริญเมตตานะกลับข้างกันไปจิตฟุ้งซ่านก็น้อมใจไปอยู่ในร ม, มันเดียวเช่นอยู่ในลมหายใจอยนะไรนี้จิตก็สงบขึ้นมาช่วงครั้งช่วงคราวก็ดีกว่าไม่สงบเลยนะนี่ขั้นจเจริญปัญญาเนี่ยไม่ใช่เรื่องควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาและไม่ใช่เรื่องข่มใจละวขั้นจเจริญปัญญาเนี่ยเลยขึ้นไปอีกนะไม่ขม่มใจ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 ยังไม่ทันจะมีคนส่งกันบ้านเลยเขาส่งใหมย่ยังอยากรู้เลยว่าใหม่ไปถึงไหนแล้วนี <c> ่ <oughs> ความอยากมันละเอียดรออ่อนนะเนี่ยเราค่อยๆมีสติเราจะเห็นเลใจมีแต่ความอยากทั้งวันเลยความหลงนะี่มีทั้งวันแต่ดูยากยากโทสะเนี่ยนานๆนนแทรกขึ้นมาทิง้งราคาก็ละเอียดขึ้นดูยากขึ้นโมหะดูยากที่สุดเลยโมหะเป็นความฟุ้งซ่านของจิตเป็นะความฟุ้งซ่านของจิต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 พวกเราลองดูสิเราหลงทั้งวันรู้สึกไหมก่อนจะโรภเราก็หลงก่อนก่อนจะโกรธเราก็หลงก่อนหลงอะไรมากที่สุดนัหลงไปคิดหลงคิดให้เกิดทั้งวันเลยสังเกตไหมใจเราแอบไปคิดได้เองค่อยๆสังเกตไปนะใจมันหนีไปคิดได้เองหนีไปคิดแวบบแวบบหนีไปเรื่อยๆนะดูออกไหมหนีไปคิดแล้วนะไม่มีหยุดคิดนะจิดหนีไปคิด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 ทำไมมันชื่อจกักจักวงวงเพราะสมัยโบราณนะพระเอกของเรื่องมันชอบชื่อจักกับชื่อวงเ <c oughs> <c oughs> ช่นอะไรเช่นลักษณะวงเห็นไหมเออมีอะไรอีกอมีจกักจักนี่เยอะเลยหลวงพ่อชักลืมแล้ว mm hmm. เลยเรียกจกักจักวงวงมาถึงกี่เรื่องกี่เรื่องก็มีพระเจ้าแผ่นดินนะพระเอกเนี่ยไม่จักก็วงมีอยู่แค่นั้นในเรื่องพวกนี้นะ เมื่อก่อนนี้ช่องเจ็ดชอบทาหนังเมื่อก่อนหลาพ่อไปทุระที่ไหนวะจำไม่ได้แล้วเว้ยแฝดฉันข้าวข้างถนนนะยังเปิดปราบูทองอยู่เลย <c oughs> โอ้โหปราบูตัวนี้ทนจริงๆนะเล่นกันมาหลายสิบรอบแล้วนะนางปลาบู <c oughs> ในเรื่องพวกนี้นะจะมีรือสีรือสีนี่นั่งหลับตาทุกคนเลย เราจะเห็นภาพของฤๅษีต้องนั่งยิ่งหนวดยาวยิ่งเก่งแสดงว่านั่งมานานแล้วคนไหนนะฤๅษีองค์ไหนตนไหนมีนกกระจอะไปทําลังได้นะนั้นเก่งสุดยอดเลยแสดงว่านั่งมานานไม่กระดุกระดิกเนี่เราไปติดภาพพวกนี้ว่านักปฏิบัตินะั้นต้องนั่งสมาธิหลับตาแล้วก็นานๆด้วยไม่กระดุกระดิกเลยนั่งจนเป็นก้อนหินขี้ฝุ่นจับแมงมุมมาไต่นะทำลังได้อย่างนั้นยิ่งเก่ง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 เนี่ยถ้ามีสติแล้วมันจะเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์เห็นมันเป็นของไม่เที่ยงกายนี้ไม่เที่ยงใจนี้ไม่เที่ยงกานี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์กายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเร า, เราจะเห็นอย่างนี้เรียกว่าเดินปัญญาแต่ไม่ใช่คิดเอาต้องเห็นเอาคิดเอาไม่ใช่ของจริงคิดเอาเป็นสมถะนะถ้ายัางเจือด้วยการคิดอย่างมากที่สุดได้สมถนะอย่างคิดเรื่องร่างกายนะี่คิดเรื่องกายเป็นปฏิกูลเวลาสุภาษนะก็เป็นสมถะกรรมฐาน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 ใครลองสั่งร่างกายที่จงหายใจเข้าอย่างเดียวอย่าหายใจออกลองสั่งดูอา้าให้หายใจเข้าหานาทีลองซิ <c oughs> ตายไหยตายง่ายแก่เลยเห็นไหยหายใจออกอย่างเดียวหานาทีเอาลองดูนะอย่าว่าแต่5นาทีเลยนะ1นาทีก็าปางตายละสั่งไม่ได้จริงหรอกนะมันต้องทางานไปเรื่อยๆนะจิต <c oughs> ใจละ่ะสั่งว่ า, งวาจงมีความสุขอย่างเดียวสั่งซิ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 ไม่ใช่หายไปหนึ่งในสี่นะเราชอบมั่วเอาเองอย่างคิดว่าพระโสดาสกทาคานาคาพระอระหันต์มีสระดับงั้นแต่ละขั้นเนี่ยละ2 5่เซคิดเอาเองนะไอ้พวกนักสถิติใช้ไม่ได้หรอกนะจริงๆหายไปเยอะเลยเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยความทุกตกหายไปหลายสิมากเลยเกินครึ่งหนึ่งนะเกินครึ่งอย่างน้อย60เซหายไปให้ดูตาหน้าตาตาเลยนะ